ต่อจากเมื่อวานี้ครับเมื่อวนี้ถึงแน่ที่สิบแปดนะจบนะครับอุโบสถเก้าอย่างอุโบสถเก้าอย่างนี้ครับที่เราเรียนมามีเก้านโดยอย่างแรกนับโดยวันใช่ไหมครับถ้าใครเอาหนังสือที่ถ่ายเอกสาขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่ข้างบนกระานาษนะครับอุโบสถเก้าคือถ้านับโดยวันก็จะได้ดอุโบสถสามวันคือปณรศสีอุโบสถ โมสดสิบห้าข่ำนะครับจ่าตุ๊ดสชิดสีโบสถโมสดสี่ข่ำได้สามมะขอุโบสถอืมไม่สามว่าในวันนะแต่ได้เป็นสามแต่ถ้าว่าโดยบุคคลผู้ทําอุโบสถก็แต่งได้เป็นสามเหมือกันคือสังฆอุโบสดโบสถของสงคณะอุโบสถอุโบสถของคณะและบุคละอุโบสถอมโมสถของบุคคลนะคนับ อันนี้แตกตามบุคคลแล้วก็ได้สามแล้วก็สุดท้ายแตกตามเลตามอาการนะครับถ้าเราจําแนกตามอาการที่จะต้องทําก็แบ่งได้เป็นสามดางนี้คือสุดตุกเทเสาโบสถสุดตุกเทเสาโบสถอุโบสถคือการสุดปฏิโมนครับปาลิสุดที่อุโบสถอุโบสดคือก า, ารบอกปาลิสุดที่แล้วก็อธิษฐานโบสถโบส ด, สาบสดสาการอธิษฐาน แต่ตามการที่จะต้องทํานะก็ได้เป็นสามสามสามก็ได้โบศูนเก้า น, นะครับสามสามเก้านนะต่อไปนะครับจะขึ้นวักรองและบุคกิจก็คือเป็นกิจที่สรงจะต้องทํานะครับเมื่อวานบอกแล้วว่าต่างกันยังไงบุคกรณ์รือเป็นกิจที่จะต้องทํากอนที่สงจะประชุมกันนะครับตั้งแต่วันสองนั่นยังไม่ประชุมไม่อะไรเลยใช่ไหมครับ ที่ป่ากว่าลงโบสถ์ทำไมอะไรนะเนี่ยตา่างกันนี้มังก็รูอระกอบเนี่ยทําก่อนที่สองจุประชุมกันแต่ภูเขาจิตทำตอนที่สองประชุมกันแล้วนะครับซึ่งทั้งสองอย่างมันก็หมายถึงว่ากี่ที่ควรทําก่อนลงโบสถ์เหมือนกันนะครับแต่จะมีความต่างกันนิดนึงตรงนี้นี่นะครับข้อว่าเก่งสังข้าศักดิ์ภูเขาจิตจังแนะปลว่าอะไร <c oughs> ก็กิจของสงฆใช่มว่าทําเสร็จแล้วหรืออมีความว่าพิสุทธ์ผู้สวดถามว่าเมื่อควรจะทําอำบูชดของสงที่สวดไว้เนื่องด้วยการทําำบูชดอย่างนี้ว่าสังโคโบปชดถังกเลยะใช่ไหมสงฆ์พึงทาำบูชดกิจใ ด, ดที่มาในพระบาลีเป็นต้นว่าพิสุททั้งหลายเราไม่ยากการทําความสะอาด ล, ลงบูชและนะครับ และกิจที่ควรทําก่อนเก้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ในาฐานะทั้งหลายโดยแยกเป็นสองช่วงว่าช่วงแรกก็เป็นอุค์กรนะครับต้องทำหลังลงบวชสดท่านก็ยกพระพาบานีมาที่ว่าเรา่องนี้การทำความสะอาดลงบวชับกิจสี่อย่างที่ควรทําก่อนลงบวชสด น, นี้คือการทําความสะอาดท่านภาษาบาลีคือส ม, มัชชีนะครับส ม, มัชชีปทีโปจา อุทากกรรมอัสนี น, นจจะอุปสัทสะเอตานีปุภาะก ร, รันตีมุจจตีตีนี่ว่าเรียกว่าังฆานนะครับอืก็คือสี่อย่างหนึ่งนะครับการปั่นปดลงโบสดถ้าแปลงศัพท์นะเป็กการปั่นป่วนนะครับสมัชชีถ้าแปลควาคือทองความสะอาดอสองนะครับการตามปฏินี่หมว่าการติดปฏิบแสงสว่าง ตาที่สมัยก่อนก็ใช้ตะเกียงครับโคมหรือว่าเทียนใช่ไหมครับจุดนะสมัยนี้ใช้ไฟฟ้าใช่ไห ม, มถ้าวันนั้นเกี่ยวเรื่องสีมาลืมพูดไปะครับมีสีมาข้ามเก๋ลักษณะหนึ่งนะธรรมดาทีานีา้ว่าสีมาขังกะนะครับที่มีวัตถุนะของจากสีมาอื่นนะครับเข้ามาในเขตสีมาเราเนี่ยนะจะทำใหสีมาข้ามเกี่ยวกันกใช้ไม่ได้นะครับ จะเป็นกิ่งไม้ ก, ก็ดีนะหรือเป็นสายไฟนะครับที่จะพราสายไฟมันไปทั่วประเทศใช่ไหมครับมันก็เข้าไปบรกี่โบแหละ <c oughs> แล้วก็มาเชื่อมเข้าแต่เนี่ยโบสถ์ของเราด้วยนครับเนี่ยมีสายไฟเชื่อมในยงยายโบสนั้นเข้าโบสถนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ชื่อว่าสีมาข้ามเกี่ยวเหมือนกันนะครับตามบาริเขาเรียกว่าสีมาสังกะนะ <c oughs> อย่างนี้เราก็จะทําัสดมไม่ได้ในตอนนั้น อ๋อข้ามมาสีมารครับครับวมิสูข้ามมาสีมา น, น, นั้นไม่ขาดเกี่ยวนะอาจารย์ข้าไม่ขาดเกี่ยวกันอาจาร ย, ย์สมมติว่าวัดเราเนี่ยก็มีมิสูที่้มครับเราก็เราไม่ทำข้างในเรามาทำข้างนอกที่ไปมิสูข้ามมาสีมานะก็ได้ครับก็จะไม่เป็นไรนะเพราะว่าสีมาที่แบบมันสังกัดกันอย่างนี้นะจะเฉพาะสีมาที่เป็นลูกนะครับ แา่ลูกกับลูกขันต่าสีมาเนี่ยนะที่จะท่ า, ทาเกี่ยวกันแต่ถ้าสีมาแม่ด้วยกันที่พวกค้ามาสีมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ท่าเกี่ยวกั น, นะคะรับทำข้างนอก ไ, ไม่ทข้างในไม่ได้ทำข้างในเราสมมติเป็นสมมติเป็นขันท่าสีมาไปแล้วครับครับด้านในครับด้านในนี้ไม่ที่<อ>รรครับก็ข<อ>ันท่าสีมาครับ แต่ข้างนอกนี่เป็นมิสุขามัสสีมานครับไปถพื้นลานครับใช่ใช่ครับคามทางใช่ยเขาเดินรอบเลยความจริงพื่นก่อนเนี่ยมันเป็นมิสุขามัสสีมานะครับแต่ว่ามิสุ ข, ม า, สขมามัสมาความมันใหญ่ความจริงไม่ได้อยู่แค่ในลานรอบๆรับออกมาถึงข้างนอกนะครับออกมาเยอะเหือนกันนะครับรู้สึกว่าด้านโน้นไปถึงนะใกล้ๆตุติเบอร์สืสามเลยนะแล้วตรงเนี้ย ตรงนี้ออกมาถึงเกี่ยวกับ ถ, ถ, ถ, ถนนเลยนะครับใครเดินไปเดินมาสีอะไระครับคําทนะํานั้นทีนี้ก็เลยสมมุติขนลสีมาให้มันเล็กๆครับจะได้สดะดวกเวลาทำกำครับอันนี้พูดให้ฟังยงใหญ่นะครับพอดีถึงปฏิบัติก่อนแล้วก็เปิดไฟฉายก็ได้ถ้ามันมืดหรือ <c oughs> ตะเกียงอะไรค็ไดแต่งครับที่มันมีสายไฟข้างนอกมายงใหญ่กันนะทํำ อ, อ๋อฝังใต้ดินจริงครับฝังใต้ใตจริงๆแต่ว่ามันก็เข้ามาข้างในจริงแต่ก็ไม่ง่ายนะสีมาเข้าไปถึงไหนถึงน้ำร้องไั้นีด <c oughs> ครับอันนี้ก็ฝังเขาแล้วเขายังเชื่อมต่อมาข้างนอกครับไม่ได้อยู่ไค้ข้างในเฉยครับเพราะนั้นที่ว่าของเราก็เลยมีทําที่ดึงออกได้ครับเราจะทําบุษบุญ ก, การดึง <c oughs> ที่ว่าท่าก็เหมือนกันครับเตแต่ปด้วยกำแพงจะเป็นไ อ๋อ ไ, ไม่เป็นไรครับมันมีนอยึดติดแล้วก็เอาเอาแหลไปติดกับเอ็นั่นเอครับเวลาดึงออกก็ให้ออกนะไมนไม่พ่ากันนะครับดึงออกไปไม่่านกัเาะมันยึดยึดอยู่ขาหบเอเอหนันันเลยครับอ๋อไม่เป็นไรคไไรคับ ไ, ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัะนะ อ, อนนี้พตัวที่มันเชื่อมเข้าต่อนะตัวสายตรงนั้นนะครับมันดึงออกมันก็ขาดไป ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นต้นสายต้นลำไปดูอือผมมีใค ร, รคถามอาจารย์นะตอนนั่งเหยียดตรงนี้ครับถ้าว่าไม่เป็นไรนะนอกจากว่าเดึงออกแล้วนะยาวสาเป็นพันกันอีกทีนึง <c oughs> แต่งนี้ไม่ได้ครับ <c oughs> อการติดประเทศแสสว่างการตั้งนั้นสมน้ำใช้แล้วก็การปูล่างอัสนะคอันนี้เรียกว่าหมุขกอรสีมาสังกัด ิ่งไม้เขวันนี้คนน่าจะเอาครับนี่เขาบอกว่าก็ต้นทรายมีอยู่ในรางขันทาสีมานะครับครับในขันทาสีมาเนี่ยมีต้นทรอยู่นะครับกิ่งแห่งต้นทรายนั้นหรือย่างทรที่ยื่นออกจากต้นทรายนั้น จดพื้นดินแห่งมหาสีมาก็ดีครับมันต้องเข้าไปในพื้นของอีกสีมานี้ครับถ้ามันเชื่ออยู่กลารอากานี่ก็ไม่ไม่เป็นครับจดต้นไม้เป็นต้นที่เกิดในมหาสีมานั้นก็ดีพึงชำระมหาสีมาให้หมดจดและจึงทำกับต้นนิมนต์ผ่านมหาสีมามาหมนเลยนะครับหรือตัดกิ่งและยอคลายเหล่านั้นเสียก็ตัดออกเรียกเากระทำให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้ ถ้าล่างมันลำบากเหมือนกันนะครับเพราะต้นไม้มันอย่างล่างมันชอนใช้เข้าไปเนี่ยถ้าไม่ได้แสดงไว้ก็เห็นว่าอมันกดเป็นสายแต่ที่มันยงยัยขึ้นมานะมันก็ย่างซานมันก็อะไรที่มันย้อยลงมาใช่ไหมครับจะนี้ย่างสองข้อเท่านั้นเขากระเลยอนนั่นนะต่อไปนะครับกินห้าอย่างที่ควรทําก่อนสุปปัติโมงนี้คือการนําฉันทะมาหนึ่งเดี๋ยวท่านก็จะอธิบายแต่ไมครับตาหลับ การนำปริสุทธิมาหนึ่งการ น, นับรูดูหนึ่งการนับจำนวนพิสูจนหนึ่งการให้โอว่านาพิชุมีหนึ่งเรียกบุคกิจข้าพเจ้าผู้สวดขอถามว่ากิจทั้งหมดนั้นเสร็จแล้วหรือเพราะว่าสงไม่ทํากิจเหล่านั้นก่อนแล้วคืนทำบูโสตกรรมเลยไม่ได้ดนครับพระเจ้าจัมอยากให้ทํากิจเหล่านี้ก่อนนะั่นเราต้องทําก่อนเพราะฉะนั้นพิสูจผู้ไม่ได้ป่วยต้องทำความสะอาดโรงบรูโสด ตัดน้ำหินน้ำใช้ฟูลาอัสนะจุดปฏิบต์ตาคําสั่งของพระเสระเมื่อไม่ทําต้องอาบทุกข์ถึงพระเสสะก็ต้องรู้เหตุอันสมควรก่อนแล้วจึงค่อยสั่งตรวจดูพิสูจน์นั้นก่อนว่ามีพระหน้าที่อยู่หรือเปล่าเป็นต้นนพูดถึงบุคคลที่ต้องทอําบุพกิจบุพกรเนี่ยนะว่าคือใครนะครับถ้าไามาดูเนวินัยจิดกเลยเนี่ยที่พระเจ้าจา่าตัดไว้นะครับ ท่านจะบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่ญาตให้พิสูจเถระใช้พิสูจน์นวากาใจพาเถระใช้พระนวากาแล้วก็จะมีคำอธิบายที่ใกล้ช้ากันตรงนี้นะครับก็คือพิสูจน์นวากาที่ถูกใช้เนะ่ยที่อูที่ถูกใช้นะครับถ้าไม่ได้ป่วยไข้เนะี่ยจะไม่ทําไม่ได้นะครับถ้าพราเถระใช้แล้วไม่ยอมทํำนะก็จะต้องาไปทุกขกดนะครับแล้วพิสูาพราเถระก็ต้องคอยดูนะ ว่าคนไหนควรใช้ไมควรใช้นะครับใช่บางรูปผมว่าเป็นนักวิ่งก็จริงนะครับแต่ว่ามีพระธรรมกระถึกนะครับต้องช่วยทํางานอะไรเยอะนักเทศตลอดเลยเป็นพระธรรมกระถึกท่านก็เดจะท่านจะพูดถึงนะครับบอกว่าอพิสูจน์ผู้ทําการอารมบางอย่างก็ดีนะครับอาจจะทําการงานกำลังก่อสร้างาา น, นะครับหรือว่าทําอะไรน่ะทําระครังอยู่ <c oughs> นะครับ ช่วยพลาล่าอย่างหนึ่งตลอดการทุกเมื่อทีเดียวก็ดีนะครับช่วยเหลือทุกอย่างนะที่สูบ ป, ป่วยไข้หรือว่าเรื่อง น, งนี้ขนขวาช่วยหนูนะสงตลอดเลยนะครับยังชนะตลอดเลยที่สูผู้สนัสพัญญานะครับมีท่านนักสวดสรับพัญญา่าและทําการถึงเป็นต้นรูปแรรูปหนึ่งถ้าเท่าไม่ควรสั่งบังค่ำนะครับเพราะว่าเขาทํางานและทํางานตลอดนะครับเพื่อกวาดลงโบสด ส่วนพิสุจที่เหลือพึงสั่งบังคับตามวาละคือผัเดเปลี่ยนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมผมอ่านแล้วผมแปลกใจหน่อยนะว่าใ น, ในาพระบาลีท่านใช้คำว่าให้พิสุจเถระใช้พิสุจนวักกาสครับผมสงสัยเพราะว่านวักกาเนี่ยจะหมายถมัชชิมาด้วยหรือเปล่า <c oughs> มาดูข่าวที่วายเนะี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงเลยครับนะ่าไม่ได้พูดถึงว่านวักกาเนี่ยต้องหมายถึงมัชชิมาด้วยอย่างอื่นด้วย ไม่ได้พูดถึเลยแต่พอมาเจอในกังขาปุ้มเนี่ยท่านจะไม่พูดถึงพงระนวักกะเลยไม่มีการบอกว่าพระเสด็จต้องใช้นวักะไม่ได้พูดอถึงเลยนะครับก็เลยสงสัยเมืโทรไปถามาอาจารย์ทีนึ่งนะอาจารย์ก็ยกกลางขามา น, นีให้ดูนครับอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะดูอีกทีนะี่แต่นี่นะคือถ้าตามพระบาลีน ะ, นะครับตามตำเนี่ยอนุ ญ, ญาตมิสุเสร็ใช้มิสุนวักะนวักกะคือภาษาหนึ่งถึงห้าเนะี่ยไปทําอะไรบ้างนะ่ะ กว่าลงวงส่วนต่างส่นั้นใช่นะครับปูหลังก็น่าสิบที่นะไม่ทําไม่ได้นะครับข้าศิรักษารนั่งต้องทาถ้าไม่ทำก็ต้องเอาแบบทุกขนะครับอันนี้ได้นะนะวักรองผู้ขี่วกรองนะครับหมู่พกจิตกับวักรองก่อนนั่นหมูกริตก่อนต่อไปก็เป็นหมู่พกิตการทำฉันท่าและปาริสุทธิ์ที่ในคํานี้ว่าฉันท่าปาริสุทธิมีวิริชายังต่อไปนี้ เมื่อสองประชุมกันเพื่อจะทำบวชสักกรรมพิสุที่ทำบวชสักกรรมเสร็จแล้วจากที่อื่นมาถึงแล้วต้องไปยังสถานที่สงประชุมกันครับเมื่อไม่ให้การสังขีไม่ไปนั่งร่วมกรรมด้วยต้องมอบฉันทะให้ <c oughs> ถึงพิสุผู้เป็นไข้หรือผู้ขนควาในกิจสองอยู่ดูแลพิสุไข้เป็นต้นเมื่อจะให้ปลิสุที่ต้องให้ฉันทะด้วย <c oughs> นี้ตอนแรกนะท่าพูดถึง ที่มาสามารถอื่นมาถึงในวันบวชศพนะเข้าไปทำบวชสพวัดอื่มาเรียบร้อยน ะ, นะครับทีนี้เขาก็มาวนะันเรานะนี้ถ้าพวัดเรานี่ก็จะลงปฏิโมกขอะถ้ามอกพิสูจนนั้นนะเมื่อไม่ให้การสามวันทีนะครับท่านจะไปเข้าร่วมสังก ร, รมมิก็ได้นะแต่วันนี้เขาจะว่าน่าจะหมายถึงต้องหมายถึงพิสูจที่อยู่ในสีมานะครับเข้าไปอยู่ในสีมานะถ้าได้เข้ามาในสีมานี่นะครับ ท่านก็ต้องเข้าปัญหาธรรมะด้วยนะครับถ้าไม่เข้าปัญหาสมรมะไม่ได้ท่นานก็กรรมเป็นว่างนะถ้านั้นไม่เข้าปัญหาธรรเนี่ยท่านก็ต้องมอบสันท้านะครับเพื่อให้สงนะสา ม, มารถทํากรรมได้ถ้าไม่เห็นธมะก็ต้องมอบสันท้านะหมอมความพอใจที่ให้สงทํากรรมไม่ได้นะครับถ้าไม่เข้าปัญหาธรรด้วยและหมอ่อบไม่หมอบสันท้าด้วยตัวเออยู่ในสีมานะที่อยู่นอกสีไม้เป็นไรครับแม้เขาไม่กรรมของเราสีอะไรนะ ที่อยู่นอกสีมาไม่เป็นไรจริงๆถ้าอยู่ในสีมาที่ว่าสมัยก่อนสีมาไมาจจะกว้านะครับกินเขว่าท่องวัตอะไรอย่างนี้นะแลเราต้องบอกชน้างครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภาพรูปนี้แม้ที่ถูกพููเป็นไข่ยปยนะครับเข้าไปดูดวงสดไม่ได้นะหรือว่านะครับคนขวานจิสงอย่างอื่นนะอันนี้ผมก็เจอแบบนี้นะครับคนขวานจิสงอย่างอื่นเนะีไม่ลงดวงสดก็ได้ แต่อยู่ในเคสนี้มานะครับกีนจจ 3, ินแอ่นมีสําคัญจําเป็นมากนี่นะถือว่าอาจจะเป็นผกุฏิสาระสรงที่จะใช้รวมกันเนะ่ะแล้วมันกําลังจะพังลงแล้วใช่ไหมครับถ้าอันนี้เยกตัวอย่างครับไอจําเป็นต้องรีบซ่อมนะให้มันเสร็จทนทำใช้การนะครับนี่จําเป็นอนะหรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงไ ข, ข้ผู้สูงไข่แลนะ้วนนดหที่หเหลือตัวเองไมนก็ได้หนะถ้าต้องดูแลอยู่ติด ที่สุขให้ตลอดเลยนะครับอันนี้ไม่ลงก็ได้ <c oughs> คือไม่มาเข้าในหันถบ้านนะก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้ปริสุทธิ์นะครับเมื่อจะให้ปริสุทธิ์ต้องให้สันทะด้วยอันที่ให้สันทะเมื่อกี้พูดถึงพระที่ลงโบสถ์จตวรรอยู่แล้วนะแล้วมาเข้าในสีมาวัดลังก็ต้องให้สันทะนะครับแต่พระที่อยู่ในวัดนี่แหละนะครับเป็นไข้ก็ดีขนขวายขีดสองก็ดีนายที่สุขไข้ ก็ดีนะครับอมเมื่อท่านมาได้มาเข้าในยธบาตแล้วทำโครงาการท่านต้องมอบปริสุทธิ์ก่อ น, นครับมอบปริสุทธิ์ที่คือมอบนะก็มอบความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับเดี๋ยวท่านจะพูอยอีกทีนะทําไมนะครับต้องมอบปริสุทธิ์ที่ด้วยเพราะว่าการที่ท่อมอบปริสุทธิ์ที่เนีย่ยท่านจะได้ชื่อว่าอาได้ทําอนนะได้ทําบุญก็ด้วยครับ ท่านรู้ว่าจะได้ชื่อว่าทำโบสดด้วยนะครับเพราะว่าถึงท่านไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ท่านก็มอบผลิตภทณฑ์แล้ว น, นะครับถ้าพอถึงวันหนึ่งบสดเนี่ยเราจะไม่ทำโบสดเลยไม่ได้นะครับไม่ทำโบสดก็เป็นอาบัตทุกกฎถึ้นะครับถ้าครบองคอง์หลวงนะไม่หลุปฏิโมกเนี่ยไม่หลุเข้าหลงวงธรรมะก็เป็นธรรบะทุกกแต่ในกรณีนี้นะครับเขยังเข้ารุ่งไม่ได้เพราะมีเหตุอะไรพวกนี้นะถึงแม้เข้ารุ่งไม่ได้ก็ต้องมอบผลิสิทธฑ์นะคะนะรับตัวเองถึงจะได้ชื่อว่า ได้ทำอุบโบสถด้วยอย่างนี้นะครับแล้วพระสงฆ์ก็สา ม, มารถที่จะทําทอุบโบสถได้ด้วยนะอันนี้เอาท่านที่อยู่ในสีมานะครับเอาท่านที่อยู่ในสีมานะเพราท่านอยู่ในสีมาน่ะสงฆ์กำลังสุดปฏิโมกเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมมอบผลิสุทธี่เนี่ยกรรมของสงฆ์ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะกรรมเป็ น, ว, น, นไปไว่นงนะใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าท่านอยู่นอกสีมาแล้วก็สงสุดปฏิโมก ปฏิโมกข์ของสองสัมฤทธิ์ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไม่ยอมมอบสันทัปฏิสุทธิ์นะ่ะอันนี้อยู่นอกสีมาครับก็ได้เชื่อถ้าไม่ได้ทำโบสถ์ั่เองนะคับยังไงถึงอยู่นอกสีมาเนี่ยก็ต้องมอบปฏิสุทธิ์นี่ครับนะความจริงปริชั น, นท่าปริสุทธิ์นะี่ถ้าอยู่นอกสีมายังงมันจะไม่เข้าไปนะครับไม่เข้าไปแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ทําปฏิโมกข์อารมปฏิโมกไม่ทําบสถ์ก็จะเป็นอาบัติเรามอบสันทันปฏิสุทธิ์ทข้างนอก ก็ไม่เข้าไป <c oughs> ทีนี้จะทํำยัำยงไงก็มีวิธีนะครับแล้วก็เข้าไปชั่วครั้งนะครับเข้าไปนะอาจจะไม่เข้าไปในอัฐบาบถ้าเมตสามันเข้าไปได้นะขอให้ได้เข้าไปในเขตสีมาแั้วกันนะครับแล้วก็หมอมฉันทั้งที่สุรูปงหนึ่งนะเข้าไปอาจจะนอนอยู่นอกโมสถอะไรท้ายอาถุงข้างล่างอะไรก็แล้วแต่นะถ้าปวยพอยังเดินไปไหวหรือว่าคนหาไปด้า น, นะครับก็หามาที่นั่น นะแล้วก็ข้ออธิบายไม่ได้ก็มองสันท่าในอุโบสถนะครับให้สงได้ตั้งนิติตให้เสร็จก่อนอย่างนี้นะถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วค่อยออกไปนะครับไปพักไปนอนที่ปุฏินะนอกจากว่ามันเหตุสิ่สัยจริงๆไม่สามารถจะเคลื่อนย้าย่าได้ถ้าเคลื่อนย้ายปุ้งอาการหนักนะครับอาการก็จะหนักขึ้นจนแบบโอ้หหรือว่าผมนอนภาพได้นะอันนั้นมันมันกอ่อนจาเป็นจริงใช่ไหมครับที่ไม่สามารถจะนา น, นะ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้นหนักสหาหัสถึงขนาดนั้นนะก็ควรที่จะเข้าไปเลยครับอย่างน้อยก็คือไปมอบประลิษาที่เนี่ยนะครับน้อให้เพื่อนหาเข้าไปเลย <c oughs> พราไม่อย่างนั้นเน่ยตัวก็จะ ไ, ได้เชื่อไม่ได้ทำโบโสดไม่ได้ทำโบโสดก็จะมีอาวะได้ครับถ้าบอกว่าถึงแม้ว่าถึงว่าทั้งวันเนี่ยเขาสูงเป็นสีมาทั้งหมดทั้งที่เขาพิสูจน่าที่อยู่ในสีมาถ้าว่าพิสูจน่าไม่สามมันจะไปได้นะ ให้สง่งไปที่อยู่ของพระอาพาธเลยเครับไปสวดโบสัง์ตรงนั้นเลยบนเตียงหนัง ล, อล้ออะไรครับนั่นแหละครับใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าของเราเนี่ยสีมาเราแค่แค่นี้นะ่ะมันจะทั้งวัดทั้งร้านเราจะเอาโบมาสวดทวั้งเตียงเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยต้องใช้วิธีอย่างหี้แทนครับอันนี้อาจารย์สมควรแนแน่นอนมาครับใช้วิธีอย่างนี้แทนไม่ใช่ใแบบ ถ้าไม่แนจริงแล้วไม่หนักงานทาจริงครับก็เข้าไ ป, ไปชักจูงก่อนไปมอบผลิตภัณฑ์นะครับให้สงตั้งยติอะไรเสร็จแ้วนะ่นเพื่อไหว้ดีอออกว่าสมมติ น, นะครับพระญาติครั บ, รบ <c oughs> สมมตินะพี่ลงลงพี่น้องดิบุตรบุยนะ <c oughs> ถ้าใครเกิ น, ยนเยอะถ้าใครเกินเยอะไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าอยู่นอกสีมาหมครับทีนี้นี่เราจะต้องขอฉันท่าครับขอก็ฉันทาก็ไม่เข้าไปครับก็เข้าไปในไอ้ตรงข้าในีมาไอ้ในขาไม่ได้อ๋อตั้งข้างตรคือการให้ฉันท่าปริสุทธิ์ที่เนี่ยคนที่ฉันท่าบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์นั้นนะครับเขาต้องเข้าไปในสีมาด้วยครับใช่ใช่คร เขาไม่เป็นต้องนำธรระครับอยเขาปลเกนครับต่นโบส่านี้นะครับคือท่านต้องโยจริงๆน่อย่างนี้ก็กรรมของสงไม่เสียนะครับไม่เชื่อว่าเป็นว่าเพราะว่าท่านอยู่นอกสีมาแล้วสงก็ได้ลงประิโมงได้ถูกต้องเือเดิมครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ตัวท่านเองจะได้เชื่อเป็นผู้ที่ไม่ได้ทาอุบอนะครับตัวงัมชันไม่เข้าครับันท้เป็นกศิที่ไม่เข้าเลยเพราะว่าอยู่นอกครับ มันมก็ว่านอกอะไรนะครับนอกแบกนะครับข้อแบกของท่านเนี่ยถึงป่วยก็ยังอยู่ในเขตสีมาอยู่ก็ยังหางกันได้หรือไม่ก็ยกส่งมาเถื่ตรงนี้เลยแต่ของเราเนี่ยะป่วยแล้วก็อยู่นอกสีมามันก็เลยเป็นอีกแบกครับนอกแบกบแต่ว่าตรงนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอาบัตแต่ใจก็ใจก็ไม่ได้ไม่ได้หยาไม่ได้เป็นอสุนนะจ๊ะเปลี่นใน ในจำเป็นเช่งนนครับก็ยังไม่ได้กั้นอะไ ร, รพอรู้ว่าโงสามารถงด้านก็รู้ว่าต้องสามารถงด้านแล้วก็มาปกงทีหล่ะแต่ว่าเจตนานน้ตและเมื่อไม่มีใชครับก็มันจบไปอย่นี้อันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปนะครับอืมถ้าบอกว่าถามว่าให้อย่างไรคราบน่าจะพูดถึงให้ฉันท้าค่อนความจริงเมื่อให้ปริสุทธิ์ที่แล้วนะครับก็ต้องให้ฉันท้าด้วยคือถือว่าถ้าเอาผู้รังกรที่อยู่ในเขตสีมาด้วยกันทั้งนั้นนะได้บรรเทาป่วยนอนที่กุฏิในเขตสีมาทั้งหมดนะครับให้บริสุทธิ์ที่ปุ๊บนะครับสงก็ทําบุญสักกรรมสงฆ์คิดว่าได้ทําบุสักกรรมถูกต้อง พันเต้ก็ช่วยเรื่งบนสดด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสงฆ์จะทํากรรมอย่างอื่นน่ะถ้าพันเต้ไม่ได้มอบสัท่าให้สงฆ์จะทํากรรมอย่างอื่นไม่ได้ครับปริสุท ธ, ธิ์นี่คือจะให้สงฆ์ลงปฏิโมกได้อย่างนี้ครับเนี่ยแต่ถ้าจะทํำกรรมอืนนะ่นน่ะท่านต้องมอบสันท่ารูปครับท่านเลยบอกว่าเมื่อจะให้ปริสุทธิ์ต้องให้สันท่ารูนครับเนี่ยเกื่อว่าสงฆ์จะมีกรณีท่านสารกรรมอีกที่ต้องทำนะครับ ถามว่าให้อย่างไรตอบว่าให้อย่างนี้คือเครื่องบอกในสำนักของพิสูรรูปหนึ่งด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยทั้งกายทั้งวาจาอย่างนี้ว่านะครับอันนี้ด้วยกายเฉยก็ได้นะถ้าว่าไม่สามารถนะครับที่จะให้ด้วยวาจาได้กรณีป่วยที่ไม่พูดไม่ถนัดเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าด้วยวาจาด้วยทั้งสองอย่างอะไก็ได้นะครับฉันทางทำนีิ ฉันทางเมหาระฉันทางเมอาโรเจหิความจงมีสามประโยคนะฉัน ท, ทำธทรมนี่อันเะป็นประโยคหนึ่งฉันทางเมหาระเประโยคหนึ่งจะใส่ลูกน้ำลงไปก็ได้นะครับฉันทางเมอาโรเจหิแปลว่าผมให้ฉันท่คุณโจงนำฉันทะของผมไปจงบอกฉันท่ของผมความจริงเราสามารถบอกด้วยอประโยคใดประโยคหนึ่งก็ได้ ในสามประโยค น, นี้นะประโยคในประโยคหนึ่งก็ได้ในนิการบอกว่าจะบอกด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ยังได้ครับถึงว่าเราบอกภาษามารีไม่น่านช่ไหมว่ามันถูกว่าอย่างไรเนี่ยก็เอาภาษาไทยไปเลยครับผมหม่อมสันท่าครับ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าผมทําอย่างนี้ไปเลยนั่นนะอันนี้หน้าบทในบทหนึ่งก็ได้นึกภาษาในภาษาหนึ่งก็ได้นครับให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าพูดไม่ได้นะ แล้วก็ทําไม้ทํามือนะทั้งสองว่านะครับพิสูุผู้อาพาธย่อกให้รู้คือย่อกให้ทราบด้วยการให้ปริสุทธิ์ที่ด้วยอาวัยวะน้อยอย่าอันใดอันหนึ่งนะคร<ม>ับนี่นะก็ทําพิธีการก็แล้วกันที่ว่าเราให้สันท่านั้นยังไงดีละ่ะถึงให้เขารู้ก็แล้วกันหน้าเราพร้อม<อ>ฉันท า, าอันนี้นะครับฉันท่าได้ชื่อว่าพิสูจนนั้นให้แล้วด้วยวิธีอย่างนี้<ม>ก็พิสูจผู้ป่วยกับพิสูจผู้ขวนขวายในการงาน ซึงไม่ได้ทํำบุญสดต้องให้ปริสุทธิ์เหมือนกันครับต้องให้ปริสุทธิ์ถามว่าให้อย่างไรอ๋ออันนี้ตอนแรกที่ให้ฉันท่าเนี่ยท่านพูดถึงพระที่ทำบุญสดแล้วแล้วก็มานะครับมาวัดเร า, า, าและอยู่ในเขตดีมาท่านเมืดเข้าร่างหลวงธบรมะท่านก็ต้องมอบฉันท่าถ้าไม่ต้องมอบปริสุทธิ์แล้วนะอนลูกที่มาจากวัดอื่นนะเพราะท่านทำบุญสดไปแล้วใช่ไหมครับก็เลยไม่จุดไปมอบปริสุทธิ์อีก ทาก็ไดมอบชันท่าอย่างเดียวทรงนี้ได้ทำางนนานกรรมได้ครับเนี่ยทีนี้ท่านก็เลยพอพูดชันท่าเสร็จก็มาพูดถึงพิสูจน์ปัวและผู้ขวัญขวาในกนยารงานนะครับบอกว่าซึ่งไม่ได้ทำโหมดสดต้องให้ปริสุดที่เหมือนว่าให้อย่างไรตอบว่าให้อย่างนี้คือพึงบอกในสํานักของพิสูรรูปหนึ่งด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยทั้งกายทั้งวาจาอย่างนี้ว่าครับปริสุดทิง้งทำมิ ป, ร, ร, ป, ร, ปริสุทธิ์ทิงเมหาระปริสุทธิ์ทิงเมอารโอเจหิผมให้ปริสุทธิที่คุณจงนําปริสุทธิ์ที่ของผมไปจงบอกปริสุทธิของผมนะครับปริสุท ธ, อทธิอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบทแรบทหนึ่งนะภาษาเรียนภาษาหนึ่งครัได้ปริสุทธิที่ชื่อว่าเป็นอันให้แล้วด้วยวิธีอย่างนี้อันหนึ่งที่สู่ผู้จะให้ปริสุทธินั้นต้องให้ฉันทะด้วยนะที่ สมดังพระดำลัสที่มิสภาคต่าดไว้ว่าพิสุททั้งหลายเมื่อกิจที่สง์จะต้องทํามีอยู่เราอนุญาตให้พิสุผู้เมื่อจะให้ปริสุทธิ์ต้องให้ฉันท่าด้วยในวันอุโบสถนั้นเนี่ยบรรดาฉันท่าและปริสุทธิ้นั้นการให้การให้ปริสุทธิ์เป็นเหตุให้การเทวโบสถของสง์และของตนสําเร็จ แต่ไม่อาจจะทําให้สังกรรมที่เหลือของสงสําเร็จได้นะครับใช่การที่เหลือคือถ้าสงต้องการทํากรรมอย่างอื่นนะครัมานัดเอาพาข้าพโลกนี่นะครับต่างที่นอกจากอุโบสถนะครับเนี่ยก็จะไม่ได้เลยถ้าตัวไม่ได้มอบฉันทาการให้ฉันทานะครับย่อมทำให้สังกรรมที่เหลือของสงสําเร็จได้นะครับ่ให้ฉันทะไปแล้วสงก็ทำสังกรรมได้ แต่ไม่ได้ให้ปริสุทธิทนะแต่อุโมส่วนของตนไม่ถือว่าได้กระทำเลยนะโดยให้ฉันท่าไปแล้วสองธรรมกรรมได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่ยอมให้ปริสุทธิตัวเองยังมีโทษตัวเองก็ได้เชื่อไม่ได้ทำอุโมงคนะครับอุทิศว่าไม่ได้ทํานะพรช่านก็เลยบอกว่าเมื่อให้ผริสุทธิก็ควรให้ฉันท่ารู้ให้หนอกสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้ปริสุทธิควรให้ฉันท่ารู้อันหนึ่งนะครับอันนี้จะพูดถึง คืว่าเรามอบสันทาที่สูร่รูปหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับอันหนึ่งที่สู่รูปหนึ่งจะนําฉันทะล้วนๆหรือว่าฟันเต้มอบฉันทะผมใช่ไหมผมก็ต้องเข้าไปในในโบส น, นะครับไปทำอุปสมบทด้วยนะจะนําฉันทะล้วนๆหรือจะนําทั้งฉันทะและเป็นสุธทิที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นมานะครับ<ๆ>เพื่อพิสูจน์แม้หลายรูปก็ใช้ได้รูปเดียวนะครับไปร่ำมอบสันทาเปรี้ยวสุธีพราสิรูปนี้นะ ได้ครับมีปัญหาครับคนนั้นก็หมอกคนนี้ก็หมอกมันก็หมอก <c oughs> เดี๋ยวผมเล่าคนเดียวได้ไม่มีปัญหาครับความจริงมันจะมีคำหมอกสันท่าคำหมอกปริสุทธิแล้วคำหมอกทั้งสันท่าปริทธิ์ที่รวมกันนะครับเป็นบทเดียวกนันมันก็มีนะพอดีผมไม่ได้อ่องสิ่งเลื่อนั้นมานครับแต่นึกว่าได้นะได้ทั้งสองอนยะ่างพร้อมกันไปเลยนะที่จะมีสันท่าปราิสุทธิทีงนะ่ง่ายนี่ง่ายรวมกันนะครับสันท่าปราิสุทธี่ทำ ม, มีนะครับสองอย่างรวมไปเลย เนี่ยนะทีนี้บอกว่านะครับแต่ถ้าเธอเห็นพิสุรูปอื่นในระหว่างทางเกิดให้ฉันท่าและปรีสุที่ของพวกพิสุที่ตนรับมาและของตอนเองฉันท่าและปรีสุที่ของตอนเท่านั้นที่มาถึงสงนี่นะตัวเองรับเนี่ยมอบฉันท่าเปรีสุที่ของพิสุอื่นแล้วใช่ไหมครับเมื่อย้อนเข้าไปในโบสท์ครับตัวเองก็เอาฉันท่าเปรีสุที์เนี่ยฝากพิสุอื่นต่ออีกทีหนึง่งทั้งของคนอื่นที่ตัวรับามานะ และช้างของตัวด้วยนะครับฝ่าต่อยทีหนึ่งถ้าบอกว่าเฉพาะของตอนเท่านั้นนะครับที่จะถือว่าได้ฝ่าเข้าไปในสีมานะครับของไม่สุราอื่นเนี่ยถ้าบอกว่าส่วนฉันท่าและพลุสุทธิของนอกนี้จัดเป็นฉันท่าพลุสุทธิดังโซล่าแมวเป็นยังไงถ้าบอกว่าโซล่าแมวเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นห่วงก็จะห่วงหรือว่ามีสามห่วงนะครับถ้าบอกว่าที่ยกโซล่าแมวขึ้นมามันดูยากเนี่ยอันนี้ยกมาเป็น ตัวอย่างเครื่องกําหนดอิเธินะครับแล้วโซล่าสั่นอีกก็ได้ถ้าบอกว่าเนี่ยเหมือนโซล่าแมนเนี่ยะโซล่าแมนคือเฉพาะข้อแรกกับข้อที่สองเนี่ยที่มันเกี่ยวกันใช่ไหมครับแต่ข้อแรกเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวที่ข้อที่สามนะครับอนี่นะครับข้อแรกข้อที่สองเกี่ยวกัรนะครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้อที่สามด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะที่มอกต่อคนนั้นนะครับมันถึงจะเข้าไป ถ้าคนนั้นไปมอมต่อไปอีโซ่ที่สามใช่ไหมมันก็จะไม่ไปมันคล้องแค่แค่สองโซ่ครในลักษณะนี้นะครับครับแล้วทีนี้คนที่มอบฉันทะมอบให้คนนี้มอบให้ครเรื่อยๆคำว่าฉันทะปริสุทธิธรรมมิ่งเรอยๆครับครับฉันทะปริสุทธิธรรมมิ่งครปริสุทธิธรรมมิ่งครับมองให้นะครับครับแล้วคนรับมันต้องรับ อ๋อครับครับต้องมีการรับท่านอาจารย์ต้องมีการรับท่านจะพูดถึงก่อนไตอนนี้ไม่ได้พูนครับครับต้องมีการรับนะครับรับด้วยอว่าคนเตอามารโครับได้ดแต่ว่าต้องมีการรับแล้วก okay. um, okay. uh. ็นาไปอีกทีนึงครับทีนี้พอิมที่รับนะก็นำัาไปอุมคมีไครับ ต้องไปแจ้งอีกไหมครับต้องไปแจ้งอีกครับต้องไปแจ้งผมไม่ได้เล่นนะจะอยู่ในในเล่มนั้นครับจะมีคำพูดมีภาษาบาลีอะไรนะครับดีดูมรอันนี้ก่อนนะในที่นี้จำได้คร่าวๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเม่เจอในในสี่ความจัผ่านเรื่องสีมากคฐานะครับเหมือนก็บบอกว่าเนี่ยบอกว่า พิสูรรูปนั้นเนี่ยเขาได้มอบสันท่าเปรียสที่มาครับท่านว่าข้าพเจ้าขอบอกนะครับฉันท่าอปรียสุทธ่ของที่สูรนั้นเขาข้างมานี่ครับต้องมีการบอกแต่ถามว่าถ้าไม่ได้บอกอะลืมครับลืมบอกไปเนี่ยฉันท่าเปรียสุทธิถือว่ามาไหมถ้าว่ามาครับถามว่ามันเข้ามาเนี่ยทาร่ากขนละกันนะครับสันท่าเปรียสุทธิน่าจะมาไหมครับ เข้ามาเหมือนกันครับแต่ถ้าจงใจไม่แจ้งนะคนที่ไม่จงใจไม่แจ้งจะต้องอาบัติทุกกนครับแต่ในไงก็คือมาแล้วครับขออนุญาตเข้ามาทบานแล้วกันมาแล้วครับก็มีต่อนะครับบอกว่าฉันถ้าัศนสุทธิของวิสูรเหล่านั้นมาไม่ถึงสง์เพราะฉะนั้นผู้ที่รับสันทัศและปริสุทธิเองนั่นแหละต้องไปบอกนะครับ ถ, ถ, ถึงสถานที่ประชุมสง์นะครับ ไปบอกนิสัยไปถึงส่งเลยนะครับบอกว่ิสุทเหล่านี้นะครับ mm hmm. เขาเหมอะฉันท่าและไปรึกถึงที่อครับ mm hmm. ก่นแจ้งศักด่าแต่ถ้าเธอจงใจไม่บอกต้องอํบาบัตทุกกฎนะครับ mm hmm. ส่วนฉันท่าและปรึกถธงที่ mm hmm. เพียงแค่วิสุทนั้นเข้ามาเนะี่ยถบาทเท่านั้นก็ถือว่ามาถึงส่งแล้ว mm hmm. ผ่านนครับอ mm hmm. ไปครับ การบอกฤดูการบอกจำนวนพิสูจนและการ o ว e าหนาพิสูจนีคําว่าอุตุค้านังนะมีความว่าการบอกฤดูอย่างนี้ว่าบรรดาฤดูทั้งสามคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูนี้ล่วงเปนแล้วอย่างเหลือฤดูนี้นะครับนี่ท่านบอกฤดูอย่างนี้เลยนะในที่นี้นะครับบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนใช่ไมครับฤดูร้อนอะไรนี่ ยังเหลือฤดูอะไรยังเหลือฤดูหนาวใช่ไหมคหรับฤดูร้อนผ่านไปแล้วแต่ที่เราบอกจริงๆเราบอกละเอียดกว่า น, นี้นะครับคือเราบอกผ้าคจริงไปถึงอุโบสถด้วยพี่บอกกันในสีมานะแม่ฟันเตไก่บอกนะครับเอ่อเมื่อพูดถึงอุโบสถนะอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่สามของฤ ด, ดูฝนนะครับเขอแค่คุณหนูฤ ด, ด, ดูก่อนนะ เร่อดูไม่เป็นเรืดูผลนะครับอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่สามนะครับร่วงไปแล้วสองอุโบสถยังไม่มาอีกห้าอุโบสถที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี้นะเสือจะพูดถึงเรืดูก็จะบอกว่าเป็นเรืดูนั้นเรื่อดูนี้นะครับแล้วก็บอกถึงอุโบสถแต่ของท่านนี่คือของท่านเป็นอย่างนี้นะบอกเลยว่าได้ถึงที่เดูอะไรและล่วงไปแล้วสี่เรืดูยังเหลือเร่ดูอะไรบอกเรื่อดูอย่างนี้นะครับอนนก็ไม่ยา คำว่าพิขุขคณะนามีความว่าการนับจำนวนพิสุว่าพิสุประชุมกันในโรงโบวชสดมีประมาณเท่านพิสุประชุมกันกี่รูปสี่สิบลูปอันนี้ก็บอกนะอุ้มโซล่าไม่เอาต่อนะครับอต่อไปความจริงสองครั้งทํากิจทั้งสองอย่างนี้เสร็จแล้วเท่านั้นจึงทําำบวชสดได้อ้าวยังยังไม่ถึงนี่ครับ อี่ยที่เราทํากันหน่นะครับแล้วบรรเทาใจท่จะบอกนะโบว์พกิจนะครับบอกว่าการนําสัญชามีการนํ า, ารปริลุศึกที่มันมีข้อยไม่ไมีสักทีใช่ไหมเรื่องดูนี้เป็นเรนื่องอยู่ร้อนโบว์สดนี้เป็นโบว์ดสดที่สามของเรื่องดูร้อนสมมุตินะนะครับรวมไแล้วสองโบว์สดมันมาอีกห้าโบว์สดนะครับที่สุดประชุมกัน ส, สี่สิบรูปกลางบอกว่าทฤษนี้ไม่มีใช่ไหมท่าวก็จะบอกเปนอย่างนี้นะครับเนี่ย คือว่าเป็นการทำงุรกิจนะครับเอเ<ะ>นี่ยมันมีที่สมนาคั้งที่สามะรเนี่ยนะเขาบอกว่ารู้ได้ยางไงว่าที่เราทาที่ถูกที่ทาเก่านั้นไม่ถู ก, กปุุ๊จะุ๊บุจะาอะไรแคการันต์จะถวาอะไรลองทำดูครับ ไปที่มาลีเอาคือทำมาลีทุกขั้นตอนเลยคใช่ไม่รู้ว่าเขาคูดไปยังไงนะแต่ว่าถ้าตามแบบนี้นะคือมาตามในคอมพีนะครับว่าตามสอกถาเลยนะมาตาในคอมพีนะครับก็เลยว่าอย่างนี้ถูกแต่เขาบอกเื่าบองว่าอย่างนั้นผิดไม่ได้บอกครับเขาเขาไม่ได้บอกครับไม่ไม่ได้บอกว่าผิดนะก็เขาเขาถามว่าเอาแล้วที่เขา ขึ้นกันอยู่ทุกวงงันทุกวันนะมันผิดใช่ไหมแล้วไอ้นี่้นี่มันผูกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารอบเปนยังไงครับวันนั้มนมนมีผู้ส อ, อ, <c oughs> อบเขาบอกว่าเดต้องให้วัดก่าผ่ใจบ้าๆนะครับนบอ่ครับการบอกแต่ว่าของไทยคือละเอียด น, นะคะรับละเอียด น, นะมาโรงพยาบาลดีแต่เขาก็ต้องบอกคุณภาษาไทยเหมือนกันใช่ไหมครับ พูดภาษาไทยเหมือนกันนะไม่ได้เพิเม่มเลยเขาบอกครัออรราตาตาบุปโภตาตาสกัดกรนาโตภูเผนววิธางภุกิจังกาตะพางหัวกิไม่ได้ไม่มีการบอกภาษาไทยไอย่างนั้นหรอไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช่ไม่ใชที่บอกพวกกลิเมื่อกร อ, อะไรอย่งก่อนนะไม่มีการบอ ก, กบอย<พ>่างน้ครับไม่มีครัร<ป>บคือสูตรภาษาบาลีเะพอถึงถึงบอกเอ่อนาพิสุกนี้า เรานำได้านมีพระอีกองค์นึ่บอกว่าเออเรื่กสัตตสติงสาอะไรเขาว่าไปอ๋อเขาว่าภาษาบาลหมดเลยภาบาลหมดเลยอ๋อได้เลครับได้ครับก็ได้นะแต่ข้างต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมเพราะวัฤดูเปลี่ยนมวลสถบเปลี่ยนนะเขาต้องเปี่ะครับแต่วันที่พระชนสนาที่อวสุพุทธีนี่เขาบอกว่าที่มาสมชายปฏิปวจรเนี่ย มีตรงไหนที่ว่าบอกที่นักจํานวนที่สูงแล้วบอกแล้วดูคือว่าเขาวอกไม่มีบอกแบบนี้มันยังไงตอนนี้อาจารย์ปริญญาพูดอาจารย์ปริญญาว่ามันจะทํำยังไงคือไม่มีการบอกระ้ดูบอกที่สูงคือเหมือนกับที่พันเอ้าโซการพูในบทนะคือว่าก็อาจจะส่วนในบทนั้นก็อาจจะสมัชชาริปิปิโพจากสูดไปเลยนอนนั่นมันปวนเสื่อมปัญหาบารีเป็นหมดเลยใช่ไ้มครับเมื่อก่อนก็ทําอย่างเงี้นะอาจารย์ปริญญาออครับ เมื่อก่อนที่ว่าเลย ก, ก็ก็มีทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าทาอย่างนี้นะ่ะมันเป็นเพียงแค่การถามมีเฉยมัน่ได้บอกเลยใช่ไหมครับอันที่ถามน่าจะมีการบอกก่อนแล้วก็ถามว่าทําเสร็จหรือยังยังอยังหรืยังใชครับเ mm. นี่ยเพท่านก็เลยสงสัยขึ้นมา<อ>ว่าได้ได้ทาตรงไหนเน่นะ <ขอ S 1> มีแตการถามอย่างนี้เหรอแต่อาจารย์สุพลก็ได้บอกอยู่เหมือนกันก็แกงอยู่ ว่ามีคนต้องมีคนคนึ่งพูดนะแต่ว่าไม่ได้อธิบายลเอียดพิมพ์บอกให้เข้าข้างอาจารย์พลเป็นคนตอบแต่ตอบในกระจังจางก็บอกว่าคือมันต้องมีการบอกก่อนอะไรใช่ไหมครับและก็สวดฐานประเด็นที่ดีแน่ที่เราทํากันอืมถ้าจะให้แบบต้องเลยใช่ไหมครับต่อนะครับ ต่อไปนีนเกี่ยวกับโอวาพิสุนีนะครับซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วแต่ก็จะอ่านไปนะอ่านไปให้หมดนะครับอันนี้นับพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะความจริงสงครท้านทำกิจทั้งสองอย่างนี้เสร็จแล้วเท่านั้นจึงจะทำอุโบสถได้นะครับถูกข้อกรข้อกิจก่อนน ะ, นะพองเรานี่ก็คือบอกละเอยียดถือว่าดีนี่ครัน่ดีคาว่าโอวาโทมีความว่าการโอวานาพิสุนี จึงอยู่สงจะเท่าอุโบสถโดยไม่ได้ว่านามพิษุณีตาที่พวกนางขอไม่ได้นะต้องมีการว่าพิษุณีด้วยก็พิษุณีทั้งหลายรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันโบสดจึงพากันมาถามว่าอุโบสถนี้สิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำพิสุณีก็ยุ่งยากกันนะเขาต้องมาตั้งแต่วันก่อนโบสดวันหนึ่งนครับเพื่อจะมาถามว่าพรุ่งนี้นะอุโบสดกี่ค่ำนะครับ นะและก็พอวันโบสดจริงก็มาขอลับโอวาทอีกทีหนึ่งนะครับหลังวันโบสดก็มารับโอวาทจิงอีกทีนึงสามวันครับที่ก็ต้องมานะอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็ต้องมาถามก่อนลำพุ่งนี้วันโบสดที่เท่าไหลนครับถึงวันโบสดเนี่ยพอถึงวันโบสดจริงๆนะก็พากันมาอีกแล้วขออวาอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าพิสุนินสง์ขอไหว้เท้าพิสุปสง และขอพระคุณเจ้าไปให้โอาวาาพวกนางพิษุณีจักสงครับทราบว่าพิษุณีสง ม, มีสิทธิได้การเข้าไปให้โอว่าจากพิสุสง น, นะคือคําขอะคระับของว่าของพิษุณีเว้นพวกพิสุผู้มัชาลาผู้กลัวและผู้ต้องการจะเดินทางเสียพิสุอื่นถึงจะเป็นผู้อยู่ปากเป็นวัาจะบฏิเสธคําของพิษุณีนันะ้นไม่ได้ หมายว่าเวลาพิสุณีเข้ามาเนี่ยมาขอนะพิสุนี้เข้าไม่ได้เข้ามาในโบตอนที่เรากำลังสุดปฏิโมกข์กันนะเขาไม่ได้เข้ามาตอนนั้นนะครับเขาเข้ามาก่อนที่เราจะลงโบเนี่ยเจอผ้าลูกไหนที่เขาคุ้นเคยอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ไปบอกผ้าลูกนั้นเลยเนี่ยแล้วผ้าลูกนั้นนะครับก็ต้องรับานะเล่เรื่องเล่าเรื่องมาแล้วก็ไปบอกในอุโบสถอีกทีนะครับนอกจากว่าผ้านั้นเป็นผู้่นสุขผู้ไม่ชนะคือไม่รู้ว่จะไปบอกยังไง นอกจากอย่างนี้นะครับนั่นแหละท่านบอกว่าผู้สู่ผู้พาเนี่ยไม่รู้อยู่ซึ่งวิธีการบอกนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ได้พีู่้เอเนี่ยมันจะไปบอกของยังไงดีเนี่ยพูดไม่ถูกเลยนะครับหรือว่าผู้สู่ผู้ป่วยนะครับมันป่วยให้เข้าไปในบุญไม่ได้หรอกนะครับ น, นี้ก็ไม่เป็นไรหรือผู้สูผู้ที่จะเดินทางจะเดินทางในโมงโมสดเนี่นนย น, นะ ถ้าจะลง 1, ปฏิโมงเสร็ 1, จก่อนแลน้วเดินทางใช่ไหมครับหรือว่าจะเดินทางหลังอุโบสถวันหนึ่งก็แล้วแต่นะนี่พี่อยู่สาธุ่นี้นะครับจะไม่รับเรื่องก็ได้บอกว่าตัมมาเราไม่ได้หันยองไอ้เน่ยยองเนี่ยคุณมาตัมมาสิกก็บอกว่าเนี่ยเราเล่าไม่ได้ใช่ไหมเรากําลังป่วยหรือว่าจะเดินทางครับก็ให้พิสูจนี้เป็นบอกรูปอื่นแทนนะพิสูจน์ลูกอื่นนะครับจะปฏิเสธไม่ได้นะ แม่พิษุทธิผู้อยู่ป่าเป็นวัดก็ต้องรับเรื่องของนางพิสุณี เ, เขาแล้วก็ไปบอกท่ากลางสองทีเดียงเ น, นี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าพิสุทิ์ผู้เล่ามาต้องบอกพิสุ์ผู้จะสวดปฏิโมกในหลวงวรวศอย่างนี้ว่าบอกนะ่๊ะแกองปฏิโมฆนั่นที่จะสวดทนะ่านเจริญพิษุณี ส, สงขอไหว้เท้าพิสุทธิสงและขอการเข้าไปให้อว่าท่านเจริญทราบว่าพิษุณี ส, สงมีสิทธิ์ได้การเข้าไปให้อว่า นี้พิสูตผู้สวดปฏิโมงต้องถามว่ามีอยู่หรือพิสูตผู้ได้รับสมมุติให้เป็นผู้โอว่านางพิษุณีแล้วก็ถามนะที่สุตที่ได้รับสมมุติให้โอว่านางพิสูตีเนี่ยมีไหมถ้ามีนะครับถ้ามีพิสูุบางรูปที่ได้รับสมมุติให้เป็นผู้โอว่านางพิษุณีพิสูตผู้สวดปฏิโมงนั้นต้องแจ้งแก่พิสูุนั้นว่านะครับพิสูนี้แจ้งแก่พิสูุ ที่ร่ำเรื่องมาจากพิสุนีนะครับพิสุภุสุ ป, ปติโมกขก็บอกข้างนั้นไปบอกว่าพิสุนี้สงสมมุติให้เป็นผั่วว่างนางพิสุนีพิสุนีสงจงเข้าไปหาพิสุนั้นนะครับแล้วทํำไงพิสุที่ร่ำเรื่องมาต้องไปบอกต้องไปอว่างกันตอนนั้นเลยไหมไม่ใช่นะครับยังไม่ต้องไปบอกรองแล้วก็ทำโมสดกันก่อนแหละนะครับพอพุ่งนี้นะค่อยไปบอกค่อยไปอว่างกันนะครับ อในอนี้ถ้าไม่มีพิสูจนผู้ได้รับสมมุติเลยเนี่ยลำดับนั้นพิสูจน์ผู้เจริ่ปฏิโมฆต้องถามว่าท่านรูปไหนสามารถสั่งสอนานางพิสษุนีได้นะครับนถ้ามีพิสูจนบางรูปสามารถพิสูจนนั้นต้องเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แปดไม่ใช่ธรรมดานะครับผู้ที่จะโอว่าน้ำพิสูจนีได้ต้องมีองค์คุณแปดอย่างนะอย่าน้อยคือมีพรรษายี่สิบนะครับ ตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับถึงโจว่าที่นี้ได้แต่ละยามที่เห็นโผลนั้นทําไมต้องเอาภาษา20เองนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าอันนี้พูดพความข้าวทังทีนี้นะที่สุนั้นนะครับต้องเป็นผู้มีสีสํารวจในพระปาติโมะนะครับสํารวจในฝ้าปาติโมกนั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระและโลจรละอยู่นะครับมีปกติเห็นภัยนะครับในโทษมากว่าเล็กน้อย สมมทาศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอันนี้เป็นข้อสองนะนะแล้วก็เป็นพู้หูสูตรนะครับทรงสุตะสังสมสุตะนะทำมาหลายเราไ ด, นะราาารด้นะครับงานในเบื้องต้นท่ามกลางฤที่สุดครับนะประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้อัฏฐะพร้ อ, อรรม ท, อทั้งแบบอันบริสุทธิบริรรบรูรณ์สิออ้นเชิงพร้อมทั้อัฏฐะพร้อมทั้งเพยนชนะนะครับเธอเป็นพู้หูสูตรนะ นะครับเอ่อคือเป็นผู้ที่สดักตัดฟังคำเหล่านั้นนะครับมากนะครับเป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้กราบเป็นผู้สั่งสมนะครับอะไรนี่อะไรแพ่งแพ่งด้วยใจนะครับโอ้ยไปไม่ออกหรอกแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะครับนี่นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งปฏิโมกข์ทั้งสองนะก็ปฏิโมกข์ทั้งสองนะครับ เธอได้ปาฏิโมกขสองนะโดยพิศดานะครับปาฏิโมกข้งสองนะครับเป็นของที่มาด้วยดีโดยพิสดานะแก่เธอครับคล่องปากอะไรนะครับขึ้นใจวินิจฉัยได้ดีครับทั้งโดยอัตถะทั้งโดยเพียรชนะนะครับทั้งโดยสุขทั้งโดยเพียรชนะนะวินิจฉัยได้ดีเลยแล้วก็เป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานนะครับมีวาจาอ่อนหวานนะครับ นีนะแล้วก็อีกอันนึ่งนะนะไปไม่ออกแล้วตัวนี้นะมีวาจาอ่อนหวานครับเพราะว่าถ้าเป็นผูท้ที่บอกว่ามีวาจาอ่อนหวานแล้วก็มีวาจาของแบบของชาวเมืองนะครับรพูดชัดถ้อยชัดคำนะครับนคนเมืองเลยนะนนนไ่้ๆต้องภาษากลางนะครับชัดเจนเลย จเจ้องเนื้อออกอะไรนี้ไม่ได้อะไรนะเนี่ยเหนือไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่ามาถึกฮามเนี่ยนะเขาจะไม่ยินดีคําที่แบบมันไม่ถึงพร้อมไม่เพียงชนะนะนะครับ <_ m ix> ถึงจะเป็นมีเนื้อฟังอะไรดีใช่ไหม <_ m ix> แต่ไม่ถึงพร้อมก็บางทีก็ไมีอยกจะฟังนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นที่รังนะครับที่ชอบใจของพิษณุวินทั้งหลายโดยมากนะครับเี่ยท่านเอาพิษณุวผู้มีศีลเป็นที่รังนะ เป็นที่ชอบแต่งพิสุณีผู้มีสีเป็นที่รักนะครับถ้าถ้าที่แบบโอ้ความพื้นไม่ดีพระชปรกีอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้ใช่ไหมครับน ะ, นะพิสุณี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเป็นผู้ที่มีความกําลังนะครับมีความสา ม, มารถที่จะ over พิสุณีทั้งหลายได้ <c oughs> ก็คือสา ม, มารถที่จะข่มด้วยภายในวัฏฏะนี่ยได้นะแนะนำนะครับให้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้นะครับแล้วก็นะครับ ไม่เคยล่วงไม่เคยร่วงค้ารูธรรมนะไม่เคยร่วงค้ารูธรรมนะครับในสตรินะผู้บวชนะครับอุทิศเมื่อพระเจ้าพระองค์นี้นะครับไม่เคยล่วงข้ารูธรรมนะหมายเขาว่าตอนเป็นฆราวาสท่านหรือว่าท่านยังไม่ได้บวชนะไม่เคยไปเคารพเครงการกับนางพิสุรี น, น, นะครับหรือไม่เคยเปเสด็จเมถึงกับพวกนางสิกามนาสามเณรียอย่างเนี้นะถ้าเคยไปทําอย่างนั้นมามันจะเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ตอนนี้ถ้ามาสำรวมเป็นพระที่ดีแล้วไม่ได้ทำเหมือนนั้นใช่ไมครับอันนั้นอนดีตเป็นโยมไปชอบเนยังไงก็ไม่รู้นะ<ม>แล้วก็มีอะไรกันแค่บอกว่าถึงตอนนี้ท่านสำรวมแล้วนะแต่บิชณีคนนั้นนะ่ะเวลาท่านเทศน์น่ะก็จะนึกถึงแต่เรื่องเก่าแหละนะเออนะ่ะจะไม่ทั้งแจ้งให้ดีครับคิดว่าไอ้เคยไปร่วมอะไรจะแ้กับพิชณีเนี่ยแบบเป็นอดีตเป็นโยมอย่างนั้นไหครับอดีตนะ หรือว่าเป็นผ้าก็น่าจะเหมือนกันนะครับผ้าก็เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรวบเหมือนกันตอนประโยชน์หรือตอนเป็นผ้าก็แล้วแต่แล้วมันเคยร่วบครับเพราะว่เขาจะไม่ไม่ใส่ใจฟังนะครับคาหุ่นจับนี้ครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวเรื่องเสมนสูนก็ต้องตอนที่ประโยมแน่ๆถ้าตอนเปน็นผ้าห้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีันษายี่สิบหรือว่าเกินยี่สิบอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้าว่าถ้าฟันษายังไม่ถึงขั้นนี้นะ อาจจะเสียส out ีไปได้เองครับไปคุ่งค so, ีกับวัตถุที่เป็นสภาฆ้างอย่างนั้นนะจะแท้เสียสีไปได้แต่ถ้าพระหนึงพรรษายี่สิบแล้วนะครับถึงแม้ไปเจ้าถึงจุดเป็นสภาข้าอย่างนั้นนะพอถ้ามาพิจารณาถือวัยของตนเองแล้วนะครับก็จะสามารถกําจัดราคาที่เกิดขึ้นนั้นได้นะครับโอเราวัยขนาดนี้สี่สิบกว่าสี่สิบสี่สกว่าแล้วเนี่ยนยครับจารณาโอ้ อาจารย์เราสักสิ่แดงมาเราพิ่สิ้มื่อเจะดดนผมศึกษาทำวิีัยน้มาเยอะเลยนะหนายหญ่ครับแ่้แกงก้างขึ้นพี่ว่าคาบมันเป็นต่อเลยจริงนะพี่เขาจะชอบนะครับรือเสียงหรือะไรคราบมันอันนี้ครับบอกว่าเพิ่มสมมติพิสุผู้รับการให้อุบานนางพิชณี ในท่ามกลางสง์นั่นแหละนะครับรูปนี้ประกอบรูปองค์ุนนี้ใช่ไหมก็สมมุติไปเลยนะครับแล้วกล่าวว่าพิสูจนนี้สมมุติให้เป็นผู้ว่านางพิษุณีขอพิสุณีสงจงเข้าไปหาพิสูจนนั้นนะครับคือบอกถึงพวกเนี้นะรูปที่เล่าเรื่องมาก็บอกถึงพิสุณีครับพิสุณีก็จะไปหารูปที่ได้รับสมมุตินะครับแต่ถ้าไม่มีพิสูจนสามารถเลยนะครับไม่มีใครมีองค์ุนขนาดนี้เลยนะ พิสูตผู้จะสวดปาติโมกคึงแจ้งว่าไม่มีพิสูตผู้ถูกสมมุติให้โอว่านางพิสุนีขอนางพิสุณีสองโจงอันนี้ผมไปขีดผิดนะไม่ไม่ต้องขีดนะครับแทประสาที่ทายใหม่นะครับขอนางพิสุณีจงบุญเพนสิกขาสามให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิดนี่นะเพราะไม่มีใครอวาน ที่อะไรน่าเบ่อของคุณนะครับที่จะสมมุติหน้าก็เอาว่าพิสูจน์อย่างนี้เลนคะครับก็บอกนี่ไปเลยนะโจมันเพียงสืบหาสาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่ารื่อสายเถอเนะครับก็ด้วย อ, นนอันนี้เปลี่ยนสมมูลนะผมเปลี่ยนสมมูลนะครับเอ่าก็ด้วยคําเพียงเท่านี้ท่ า, ายเอกสารใหม่จะมีนะครับให้เกิดสมมูลก็ด้วยคําเพียงเท่านี้าศาสนาทั้งสิ้นนะครับ อันสงเคราะห์ด้วยศิขาสามเป็นอันเธอบอกแนละนะ้วนี่นะตอนนี้ผมขีดสองท่าสุดท้ายนะครับตั้งแต่คําว่าก็ด้วยกันการทาอย่างนี้ในผะมขีดไปเลยขีดไปจนถึงถึ ง, ถงคาว่าสงเคราะห์ด้วยศิขาสามนะครับอันนี้เปลี่ยนจำนวนใหม่ตามในพระไตรปิฎก น, นะครับถือเขแปลดีนะเขาก็เลยเปลี่ยนจำนวนนี้ศาสนาทั้งสิน้น ศาสนาทั้งสิ้นครับอันสงเคราะห์ด้วยสิกขาสามอันสงเคราะห์ด้วยสิกขาสามเป็นอันเธอบอกแล้วอันสงเคราะห์ด้วยสิกขาสามเป็นอันเธอบอกแล้วเนี่ยนะครับก็คือแค่บอกไปแค่เนี่ยนะ ก็ได้ชื่อว่าบอกคํานึ่งสองว่าพุทธเจ้าทั้งหมดเราที่สองข้อได้ศึกษาสามนะก็ถือว่าได้บอกแล้วทีนี้พิสูจนนั้นนะครับพิสูจที่รับเรื่องมานะก็รับว่าทราบทุกนะครับและต้องแจ้งแกนาพิสูจในวันหนึ่งคำ่ำเห็นไหมเขาไม่ได้ไปบอกตอนนั้นนะตอนนั้นก็ลงกระดิ่งบ อ, อกไปพรุ่งนี้นะครับข้อไปบอกเขาบอกว่าการบอกสัมฆะคือเมื่อรับไปแล้วก็ต้องไปบอกให้สองทราบว่าติเสนาพิคุณาฉันโททินโน ต่อมาหังสังขสอาโรเจนิฉันทะอันพิสุทธิ์ชื่อติสะให้แล้วเขาพเจ้าบอกฉันทานั้นแก่สงบริสุทธิ์ที่ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลฉันทะฉันโทรเป็นบริสุทธิ์ทิงนะครับเอาแปลว่าความบริสุทธิ์อันพิสุทธิ์ชื่อติสะให้แล้วเขาพเจ้าบอกความบริสุทธิ์นั้นแก่สงนะครับทั้งสองอย่างอะไรก็ได้แล้วก็เป็นฉันทาบริสุทธิทิงไปเลยฉันทะที่บริสุทธิ์ที่อันพิสุทธิ์ชื่อติสสะให้แล้ว ข้าพเจ้าบอกฉันท่าแลกความบริสุทธิ์แลกบริสุทธิ์ที่นะครับแก่โสตอนที่เขาบอกตอนแรกก็เหมือนกันนะครับที่บอกพร้อมกทั้งสองอย่างนะฉันท่าบริสุทธิ์ทิงคํานี้ฉันท่าบริสุทธิ์ทิงเมหาละฉันท่าบริสุทธิ์ทิงเมอาโรเจหินะครับบอเมื่อกี้เกี่ยวกับโพว่านักพิสูจนีมันเปิดที่หน้าที่สิสองถ้าพิสูจน์สงมาถึงพิสูจน์สง ก็ต้องส่งพวกนาะงพิสุณีเหล่านั้นไปด้วยคําว่าจงไปเถอดแม่เจ้าอืทั้งหมายจงถามว่าพระคุณเจ้าพิสุนีสงได้พิสุขให้โอวัานานงะพิสุนีหรือยังเนี่ยนะพิสุนีก็ส่งตัวแทนไปพอมันถึงวันหนึ่งเข้ามาหลงพรนะคะก็ส่งตัวแทนมานะก็มา <c oughs> มาถามว่าได้หรือยังเนี่ยพวกเธอเล่าว่าดีละแม่เจ้า แล้วเข้าไปหาพิสุรูปนั้นนะ่ยนะรูปที่เขาไปบอกตอนแรกนะอากล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าเอ่อพิษุณีสองได้พิสุขผู้โอว่านาะมพิษุณีหรือยัง <c oughs> พิสุนั้นเพิงกล่าวว่าสมมติว่าถ้ามีเยก็บอกไปเลยถ้ารูปไหนนะก็บอกไปเลยถ้ามีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีนะในกรณีสุดท้ายที่ย่าไม่มีพิสุนั้นเพิงกล่าวว่าไม่มีพิสุผู้ได้รับสมมุติ ให้โอวาดแกนาพิสุณีขอพิสุโสถพิสุณีสงสมเม็นสิกขาสาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่ารุ่ใสายเธอพวกเธอเหล่านั้นควรยอมรับว่าขอบคุณพระคุณจ้าเาก็เสร็จเลยครับแค่นี้นะแต่ถ้าว่ามีพิสุที่จะโอวาทพิสุณีนะครับพิสุรุ่นั้นนะที่ได้รับสมุนแล้วก็ต้องผรับผิดชอบพิสุณี้ก็จะปลักเข้าไปหาพิสุรุ่นั้น ที่สุดนะท่าบอกว่านี้คับข้าวนะครับต้องพาเพื่อนมาสร้างรูปหนึ่งนะไปนั่งหนุเพื่อนนะครับแล้วก็ไปอวบายที่สุดในสถานที่มันแบบมันดูเปิดโล่งๆหน่อยนะมันไม่ใช่เป็นที่แบบไม่คิดนะครับในที่สุดมุมข้างหรือในวันนี้นะเล็กเล่นอย่างนั้นนะครับไม่ได้นะพ่อกลับมาสุขางนะครับในที่แบบออะไรนะที่สาธารณะเพืหน่อยเนะี่ยในศาลาต้ น, นครับนี่แล้วก็ท่าบอกว่า ก็ให้เตรียมนะปั่นกวาอย่างดีนะเขาเตรียมน้ำสกัน้ำใช้ปูสซีนาให้นะต้องเตรียมพิสมีอย่างนี้เลยถ้าไม่ทําให้เขาจะตําหนีเอาได้นะครว่าไม่รู้จักบอกวัาบอกอะไรให้เกี่ยวพับลูกศิษย์ตัวอะไรเงี้ยครับเข้ามาเหนื่อยน้สกัน้ำใช้ก็ไม่มีนะเาจะว่าได้นะครับแล้วก็วาดไปอคือพิษนี้ไม่มีแล้วมันจะมีกรณีเดียวที่พิสุนีสามารถมีขึ้นมาได้ คือมีพิสุจกลับแพ้็นพิสูณีห้าลูกนะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อเป็นห้าลูกปุ๊บสามารถบวชพิสูณีในปัจจันต์ชนม์คนนะั <c> ้น <oughs> กับแพ้ผู้หญิงหมดเลยนะถือว่าไม่ได้ไปสายกรรมเป็นผู้หญิงนะอันนี้แพ้กลับเป็นผู้หญิงก็บวชเลยเมื่อแพ้กลับวากลายพิสนณีนะครับทีนี้ครบห้าลูกก็หวชได้เล ย, เลย <c oughs> จันมัวแต่ก็มันมมต้องการนี่จริง น, นะ <c oughs> ครับแต่แต่นี้ไม่ถูกต้องนะถือว่ามบุญไม่ถูกต้องนะเพราะก็ต้องบวชจากพิสุณสองเริ่มันต้งป็นสองต้งสองปครับทีนี้ผมพิษุนีขึ้นนะครับนั้นอของมาหายานนะต่อไปนะครับก็คําทั้งหมดนี้ท่านก่าไว้เนื่องด้วยพิษุณีผู้มาพร้อมกันสองพวงหรือสามพวกผมไปเขียนว่าลูก กวาสัมภาษาบาลีมันก็คือเหมือนกันนะถ้าวินนางตินนางนะซึ่งเขาว่าสองหรือว่าสามภาษาบาลีนล เ, เ, า 2, 3, เนี่ยมีแต่รูปหุมนพจนอย่างมีครเท่านั้นสองสามเนี่ยถ้าเราใส่เป็นขั้วนะครับหน้านคะครับคือคือมีจักราล์น่นก็มาครับค อ, อ, อารานี้ก็ม า, ม า, าถ้าอย่างนี้ก็ทํา อ, อธิมายง่านะครับบรรดานาพิุณีเหล่านั้น นักพิสูนีรูปหนึ่งจะต้องเป็นผู้บอกและเป็นผู้รับนะครับตัวแทนคนเดียวที่บอกและเล่าพิสูจนี้นอกนี้ต้องไปเป็นเพื่อนเธออืแต่ถ้าพิสูจนีสองหรือพิสูจนีส อ, จจนนนอสองไม่ครอบจํานวนครับในวันนั้นน่ะพระสงฆ์ไม่ครอบองสองใช่ไหมมีแค่สามสองและหนึ่งนี้นะครั บ, รบและพิสูจนี้ก็ไม่ครอบองสองรุ่นอีกอย่างหนึ่งมีเพียงคณะหรือบุคคลจากสงฆ์สองฝ่าย ไม่ครบเลยทีนี้ทํายังไงนะไม่ครบก็คือมีคําพูดก็คือมาล่ามาอะไรโอว่าเหมือนเดิมครับเพียงแต่เปลี่ยนคําพูดเท่านั้นเองนะท่านเป็นพระสงฆ์ในข้อนั้นมีระดับการกล่าวดังต่อไปนี้นะครับพิจุนีสองหรือสามรูปพึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าพวกนางพิจุนีขอไหว้ า, าวท้าพิสุสงและขอการเข้าไปให้โอว่านะครับอันนี้นะ ใช่คว่าพวกนางพิสุนีแล้วพ่อแม่พ่อองสองนะครับแต่พิสุขพอองสองและขอการเข้าไปให้โอว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพวกนาออองอจงได้าทพิสุนะครับผู้จะให้โอว่าแต่นี้ถ้าพิสุณีอยู่รูปเดียวก็ต้องกล่าวว่าพระคุณเจ้าดิฉันใช่ว่าดิฉันนะครับถ้าเป็นถายเอกาสารหนังสือใหม่ผมจะเขิดนเส้นตายไว้นะที่คาผู้เปลี่ยนนะครับดิฉันขอว่าท้าพิสุสง และขอการเข้าไปให้โอวาา่าพระคุณเจ้าทราบว่าดิฉันจงไดพ้พิสุผู้จะให้อว่าถ้าพิสุนีสงเนื้อพิสุณีครบองศงแต่กล่าวกับพิสุสองหรือสามรูปแล้ว ก, ก็เปลี่ยนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ใช่สองอะนะพระคุณเจ้าทั้งหลายพิสุณีสงขอไหาครัพระคุณเจ้าและขอการเข้าไปให้โอว่าพระคุณเจ้าสราบว่าพิสุณีสงจงไดพ้พิสุผู้จะให้อว่า นี้พิสุณีสองหรืสามรูปกล่าวกับพิสุตสองสามรูปเหมือนกันว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกพิษุณีขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าละนะละอะนะครับต่อพิษุณีรูปเดียวกล่าวกับพิสุตสองสามรูปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันครับขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าละพิษุณีสงกล่าวกับพิสุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้านะนะครับพิษุณีสงขอไหว้เท้าพระคุณเจ้า อันนี้อยู่รูปเดียวนะ้นี่ไม่ต้องไปหาคนอื่นเลยใช่ไหมไม่ต้องหาตัวเองนะครับต้องต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะ่นนี่พิสุกิรูปเดียวนะครับพิสุนีสองสามรูปกล่าวกับพิสุนีพิสุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าน้ำพิสุนีทั้งหลายขอไหว้ครับพระคุณเจ้าละนะครับก็สี่เหก็เหมือนกันพิสุนีรูปเดียวกล่าวกับพิสุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้ามีฉัน ขอไหว้เ้าพระกุณฑนะและที่เหลือเหมือนกันถึงพิสูผู้รอบคํานั้นในเวลาคาบอสดกลาอย่างนี้ว่าท่านุญเจริญนามพิสุนีทั้งหลายขอไหว้เท้าพิสุสง์และขอาการเข้าไปให้โอว่าทราบว่าพวกนานจงได้พิสูพู้จะให้โอว่านะเหมือนกันนะเวลาเข้าไปบอกสงบอกพิสูพิสูไปสิมองในบท ก, ก็บอกตามจานวนนะครับ ไม่เข้าองคสองพุทนาพิสุนีนครับพิสุภรักคากล่าวถึงพิษุณีรูปเดียวว่าท่านมุเจริญ น, นานพิษุณีขอไหว้เท้าพิสุสง์และขอการเข้าไปให้อว่าทราบว่านานจงได้พิสุผู้ใช้อว่าและลนะครบับพิสุภรักคากล่าวคําที่พุทธนาพิษุณีกล่าวกับพิสุสองสามรูปว่าท่านมเจรินะพิษุณีสงและนะครัท่านมุจเจริญน า, นานพิษุณีทั้งหลาย ท่านผู้เจริญนางพิษุณีขอไหว้เท้าของท่านผู้มีอายุทลาย ล, ละเหมือนกันนะถึงในรงบวชศพิสุสตสวนปฏิโมกก็ดีพิสุตตั้งยติก็ดีหรือพิสุหนึ่งนอกนี้ก็ดีถ้ามีพิสุผู้ที่สงสมมิมาแล้วพึงกล่าวว่าพิษุณีสงจงเข้าไปหาพิสุรูปนั้นพิษุณีทั้งหลายจงเข้าไปหาพิสุรูปนั้น พิสูจนีจงเข้าไปหาพิสูรรูปนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับนะเปลี่ยนคาพูดไปเป็นสงทั้งหลายและก็นาะงพิสูจีเพงเดียวยังได้อย่างหนึ่งตั้งแต่จํานวนของนางพิสูจนีถ้ามีการสูตรปาติโมกขก็จะเป็นหน้าที่ของพิสูจน์สวดปาติโมกใช่ไหมครับในกรณีสมครบครบองนะแต่ถ้าสมไม่ครบองค์มีแค่สามมีการตั้งยติใช่ไหมครับท่านเคยพูดถึงพิสูจูดตั้งยตินะ ต้องรับผิดชอบนะครับที่ต้องบอกอย่นี้แต่ถ้ามีรูปเดียวพิจูตรูปนั้นแหละที่ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีพิจูตผู้ถูกสมมติไว้แล้วคนกล่าวว่าพิจุนิสงนาพิจูณีทั้งหลายนาพิจูณีตาหนึ่งพิจุณีครับจอบมันเพยสุขาสาให้บริบูรณ์ด้วยอาการอนาตเรื่องสายเถิในวันหนึ่งข่อมพิจูตผู้รับโอวาส น, นาพิจูณีนำคํามาแล้ว พึงบอกแก่พวกนางอย่างนั้นนั่นแหละนี่ผ่นะครับนี้เป็นการวินิจฉัยโดยย่อในเรื่องนี้พี่สุขันบอกการให้อกว่านาะงพิสุณีทั้งหลายตามที่ขอแล้วเพึงเทวุโโบโสดเถอดอันนี้เรื่องเกี่ยวกับให้ว่านาะงพิสุณีนะ่ะถ้าเราต้องกาวรายละเอียดนะครับความจริงไม่ได้ไม่ได้ไปดูในเรื่องที่คุณพี่พังเพราะได้ยกเลิมห้าไม่ใช่นะครับ ท่านใจที่บ้านละเอียดในพระพุทธเจยาเล่มสี่ในปายิตีโอวานท่าว่างวาเกี่ยวกับกรอว่านักพิสุณีนะไปค้าวันที่ไหนล่ะที่นะครับที่หนึ่งครับหน้าที่หนึ่งที่สองนั่นดูตรงนั้นนะครับใจที่บานเกี่ยวกับการว่านักพิสุณีละเอียดเลยนะครับนี้นะขอให้ไปดูตรงนั้นได้ไปาีโอวานท่ว่างว่งที่สามนะครับประมาณข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยต่อไปนครับ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากิจห้าอย่างที่ควรทำของสุปฏิโมงนี้คือการนำสันทะมาหนึ่งการนำปริสุทธิ์มาหนึ่งการนำวิอยูณหนึ่งการนับจำนวนพิสูจ น, น, น, น์หนึ่งการให้อวบานาพิสุณีหนึ่งนี้เรียกว่ากิจนะครับตรงนี้นะขอให้เราไปทําเป็นด้วยนะครับเวลาสมมติว่าถ้วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ดูนคนที่ไปสวดใช่ไหมแล้วบางวันนะครับใค้คนสวดเนะ่ยเป็นคนบอกเองทั้งหมดนะ เป็นคนบอกนะครับผู้ประกการผู้กิจเองนะครับตอนถึงส่วนขึ้นไปสุดปฏิโมยใหม่ๆนะอาจจะให้บอกเมื่องงเลยทําไม่ถูกนะครับก็ไม่เคยทำเลยใครบอกว่าต้องพูดอะไรยังไงนะบอกไม่ถูกเลยนะครับอาจารย์ต้องคอยบอกทีละคำทีละคําีละคำนะเพราเราต้องจับตรงนี้ไว้ให้ดีนะตั้งแต่บอกตั้งผู้ปกรกอบการเลยนะครับนะอะไรนะการปฏิกัติลงโบสด พิสูจ <tu> น <i ro> ์ได้ทำกันแล้วใช่ไหมการตามประเทศยังไม่ต้องเพราะว่ายังยังไม่เมื่อยใช่ไหมครับการท่านั้นฉันนั้นใช้นะครับพิสูจน์การภูราอัสนะพิชชาลัยเขาทำคุณยุทท่านบอกรวมไปเลยใช่ไหมท่านเป็นการบอกรวมขึ้มาการประกอบลงโบสดการท่นั้นนนั้นใช้การภูราอสนะที่สูจน์พุชชาลัยทำมาแล้วใช่ไหมการตารประเทศยังไม่ต้องเพราะว่ายังสว่างอยู่เป็นกลางวันอยู่นะครับแต่ก็บอกไป นิวก็กี่ก็การนำฉันท่าม่มีการนำปฏิสุทธ์ที่ไม่มีการนำฤดูฤดูนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับแลแ้วท่านก็บอกนะว่วสดนี้เป็นบทสดที่เท่าไหร่ว่าไปรวมกันแลกกิวบัสดยังเไอกิววัสดนะครับที่สุประชุมกันสี่สิตลูกห้สิตลูกก็ว่าไปนะครับการเท่าว่าน้ำพิษนี้ไม่มีเนี่ยนะเขาบอกทานะบไว้เอาไปใช้เป็นนะ <laughs> เอาไปใช้เป็นนะครับเราม <laughs> <ๆ>่ ครับที่สุดทีนในธรรมชาการออครับธรรมชาการม่มีใไหมครับความจริงให้พัชรีละพัชนคุณบอกเองครับพัชรีนู่น่คืคุณบอกเองครับขอเตไก่ท่านได้เาสมมติใช่ไมแผู้บอกว่าอย่เอก่อนครับกอให้ภัชรีนั่นองพัชรีะครับเนี่ยพัชระที่สุดครับคุณบอก พันยังบุก่อนี่ยถ้เราไม่บอกแล้วก็ได้นะบุพการณเกี่ยวกับการทํานี่ใช่ไหมครับการทำต่างๆคือทําเสร็จแล้วนะเวลาเขาสู่ถาแล้วก็ถามเฉยใช่ไหมครับเราทาเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเสร็จแล้วแค่นั้นเองพอาะบุพกรณ์าะไม่นะบุพก่อนก็คือเป็นกิจที่ทำก่อนที่สงจะลงประชุมกันใช่ไหมครับไม่มีการพูดนะมีการทําอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างนี้นะแต่บางกิจที่ไม่น่าต้องมีการพูดการบอกอะไรด้วยนะครับลืมองลืมดูอะไรทนั้น คานะเระว่าพิสน์นี้เนี่ยมันต้องมีการพูดตอนนั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะวอกิจในตอนนี้คือว่าเราต้องบอกตอนที่จะวดปฏิโมทตอนนั้นนะต้องมีการบอกว่าไม่มีธรรมจิตกับข้าวข้าศิลาไม่ข้าศิลานะครับนี่ผมเจอตอนแรกเจอค่ายท้าทสวดปฏิโมทผู้บอกวันี้ข้าศิลานั่นนะถ้าสวดปฏิโมทแล้วก็สวดหาอย่างเดียวครับถ้าเกิดขาาศิลาไปผู้สวดเีง เขาจะนสุเองท่านก็บ อ, อ, อกเองก็นะ้ก<อ>็ไม่ผิดนะให้คนส่วนเองเราบอกเองก็ได้ไ น, นีครับนี่นะน่ครับไดหครับก็ไม่เห็นว่าผิดอะไรนะแต่ถ้าว่าให้คนหนึ่งบอกมันรู้สึกยเงไงนะเพราะว่าตัวเองมีคนถามใช่ไหมน่าจะมีคน อ, อ, อนื่นบอกก่อนแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสุดเองบอกเองไม่อะไรอันนี้ก็ผ่านนะครับ ไม่มีผู้เชิดความเจียรตรงนั้นเน่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสวดปฏิโมกข์นะครับที่ว่าถ้าจะเป็นอาบัต น, นะผู้สวดปฏิโมกข์นะครับโดยที่ไม่มีผู้เชื้อเชยใช่ไหมพระาวักการนะครับหรือมัชชิมานะพระเทล่านี้ไม่ได้เชื้อเชยสวปฏิโมกข์นะครับเป็นอาบัติกฎใช่ไหมสวดไม่ได้แต่ถ้าพระเทล่านี้ไม่เชื้อเชยนะเราข อ, อการท่านตัวได้นะครับใช้วิธีข อ, อกาท่านนะ เนี่ยถ้าก่อนดูอย่างแล้วแล้วก็สามารถมันจะสวดได้ได้สองอย่างัเมื่อก่อนเนี่ยจำหาแล้่ก็ทําให้ก็เชิญนะสังโฆอะไรนะวนความจริตอนไหนไงนะความจริงผู้นี้ใช้ผู้สวดปฏิโมกใช่ไหมครับคุณให้พาติล่านะครับเป็นคนเชิญนะถ้าพาติล่าไม่มีก็คือสมมติพิสุผู้เชิญขึ้นมาครับของฟันเตไก่เขาสมมุติท่านให้เป็นผู้เชิญแสดงธรรมเชิญสวดปฏิโมกใช่ไหมครับ ก็งันสองแบงนะถ้าทีน่าเชิญเองก็ดีหรือว่าพี่สุผู้เล่าสมุดเนี่ยเป็นผู้เชิญครับก็งสองแบงผู้บบที่จะจะให้สมมุดเนี่ยจะต้องมีการจัดบัตังไงเนไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นผู้อ่านผู้สามารถที่จะเชอเชิญได้ <c ười> ครับอ่าสามารถเชเชิญได้นีครับ เออครับนั่นแหละเตรียมไม่ให้ดีนะครับดีไปเจอว่าบางที่อะไรเขาไม่เป็นข้าอะไรใช่ไหมครับขั้นแช่เรานำนี่น่ะก็ต้องต้องไปนะต่อไปนะครับมาดูหน้ายี่สี่เลยนะความสำเร็จแห่งปาติโมข้อว่าปริสุทธิ์ทิงอยอสมันโตอารเจธามีความว่าท้านทั้งหลายจงบอกความบริสุทธิ์ของต้น เนี่ยการอ่านเลยนะครับจงบอกความบริสุธของตนหีือท่านจะรย์ที่บ้านบอกในความบริสุทธิ์นะครับการบอกความบริสุทธิ์ก็หมายควาะว่าคือถ้ามีอาบาัตติดตัวนะครับก็โปงเสียนะครับนะก็โปงเสียคําว่าปาติโมขอเขาในสุสานมิกระผมจากส่วนปาติโมเป็นการกล่าวถึงเหตุแห่งการบอกความบริสุทธิ์นะครับเนี่ยน ะ, ะเพราะว่าะครับ เนี่ยมีมีต่อนะความจริงพราา้อมมั่วท่านตัดไว้ว่าพิสูจนทั้งหลายพิสูุผู้มีอาบัตไม่พึรฟังปฏิโมโพิสูจน์ใดฟังพิสูจนั้นต้องอาบัตทุกบท น, นะครับถ้ามีอาบัตติดตัวเนี่ยฟังปฏิโมไม่ได้นะครับไปฟังข้างนอกต้องปองก่อนถ้าเป็นสถานทีเสฉะให้เปิดเผยไว้อย่าไปปิดไว้นะครับคอยๆเยมื่อไหร่นะถ้าส่วไหนปองน้าจะปองครับ ฉะนั้นพิสุผู้ไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่ควรเพื่อฟังพระปาติโมกเพราะฉะนั้นวะผ้าจึงทรงแนะนําให้พิสุสวดว่าปาลิสุธิายาสยสมันโตอารโรเจตนะท่านทั้งหลายจงบอกความบริสุทธิ์ใช่ไหมปาติโมกขาวสิสสามิขเ จ, จ้าจักสวดพระปาติโมกเพราะ อ, อ, อย่า น, นก็ต้องบอกต้องแสดงอามบัติเง่ก่อนนะที่จะฟังปาติโมกได้องค์ ก, ก็เลยเนีย่ยตัดไมาอย่างนี้ ผู้ที่จะทำอากี้ต้องทวยคิดวที่ว่าคนไม่ใช่เราไต้องบอกวิธีทำภูมิปัาเขาต้องภอมิบัญครับเพราะว่าเขาจะบอกความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับต้องบริสุทธิ์นะครับถ้าเรื่องตนนี้ิปาครับอันนี้ก็ไม่เปิดเผยไม่ต้องเปถ้าเปิดเผยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ เปิดเผยอ่ากำลังประพื้นว่นแล้วหรือว่าประพื้นว่นอยู่หรือว่าเปิดเผยแรกนี้นะครับก็ไม่ได้ชื่อว่าปกผิดแล้วถึงมีอาบัติตัวแต่ว่าอาบัตินั้นยังปองไม่หลุดใช่ไหมต้องใส่เวลาในการออกใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่าได้ได้เหมอกความบริสุทธิ์แล้วนะ